นายหญิงเราตัดสินใจถูกแล้วหลักที่ขึ้นมาพักกันอยู่บนเนินสักดำซะก่อนไม่เดินกันไปมืดมืดตามทางด่านเรียบเหี่ยวนั่นเจ้าด้วนะมันเดินนำหน้าไปก่อนแล้วปะหน้าเข้ากะไอช้างผีก็พอดีมันคงวางกำลังไว้คอยดักเล่นงานเราแน่ๆนบนทางที่เราจะเดินไปถ้าเวลากลางคืนพวกนั้นวิ่งสวนเข้าใส่ คงยิงไม่ทันหาที่หลบไม่ได้ไม่อยู่ทางเดียวก็คือหล่นเหวแต่พอเราเปลี่ยนทางจะขึ้นมาบนยอดเนินนี่พวกมันก็แหกันมาดักหน้ากันไว้อีกเคราะดีที่นายหญิงสวดมนขับมันไปได้ไม่งั้นเราจะถูกเล่นงานทั้งสองด้านเลยนันอินเอ่ยขึ้นเบาๆลุงถามจริงเหรอ ลุงกลัวหรือหนักใจมากไหมในการที่มากับพวกเราคราวนี้นานอินยิ้มเห็นเหงือกตาแห้งกระด้างปราศจากน้ำหล่อเลี้ยงของแกมองดูหล่อนอย่างบูชาน้ำใจนายหญิงนานอินอยู่ในปามาตลอดทั้งชีวิตเกิดอะไรขึ้นก็ตามนานอินเอาตัวรอดได้เสมอเจ้าหวงอยู่ก็แต่เฉพาะพวกเจ้านายทุกคนเท่านั้น ได้ถ้าพวกเจ้านายทั้งหลายมีกําลังใจดีคิดสู้ไม่ถอยก็ไม่มีอะไรต้องห่วงอีกพวกลูกฮาบก็เหมือนกันถ้าไฟเจ้านายไม่กลัวพวกมันก็ไม่กลัวเหมือนกันคนเราอย่างมากมันก็แค่ตายเท่านั้นแหละนายหญิงพวกเจ้านายยังกล้ามาเสียงตายได้ก็ทําไมหนานอินกับพวกนี้จะไม่กล้าเสียงเล่า ด้ารินจับแขนผอมเกรง็งแต่แข็งแรงของแกไว้ขอบใจลุงและทุกคนอย่างที่สุดขอให้รู้ไวเถอะว่าในความรู้สึกของพวกฉันแล้วทุกคนที่มาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นลุงขยินหรือลูกหาบทั้งทั้งหมดชีวิตล้วนมีค่าทั้งนั้นเราจะเป็นเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันทั้งหมดไม่มีการแบ่งชั้นว่าใครสาคัญกว่าใครในด้านชีวิต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 เพราะมาเป็นชาวปาอยู่กันนานอินร่วมเป็นร่วมตายกันมานานแกเป็นคนใจร้อนขี้โมโหบางทีก็อาจจะเหมือนนายระพินด่ารินหัวระแค่ๆเหมือนระพินเน่ะไม่มีทางหรอกลุงระพินโดยแท้จริงแล้วนะ่ะเขาไม่ใช่คนใจร้อนหรือเป็นคนขี้โมโหหรอกแต่ลุงไม่ต้องห่วงเรื่องนี้อนะฉันกับพี่กลางทะเลาะ ก, กันมาตั้งแต่เล็กจนโต ยูจนจะแก่กันอยู่ล้วเขาชอบทําอะไรตามใจเขาฉันก็ชอบทําอะไรตามใจฉันเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้โกรธกันนานหรอกพอถึงยังไงเขาก็เป็นพี่และฉันก็เป็นน้องอายุเราห่างกันไม่มากนะกก็เลยดูเหมือนเพื่อนกันมากกว่าแล้วหล่อนก็บอกให้หนานอินกลับเข้าไปรวมกับพักพวกก่อนตอนเองหันมาลูบงวงเจ้าด่วนกระซิบบอกว่าด่วน อย่าห่างออกไปไหนนะคืนนี้อยู่กับพวกเราบนนี้แหละพยายามรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีที่สุดถึงคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นความสำคัญของเธอแต่ฉันก็มองเห็นแล้วก็หวังที่จะได้พึ่งเธออยู่เสมอนะไอ้ผีร้ายตนนั้นมันคิดร้ายต่อพวกเรายังไงมันก็ต้องคิดร้ายกับเธอเพียงนั้นแหละเพราะเธออยู่พนมลสะกดของมัน ช้างป่าแสนรูซึ่งกลายมาเป็นมิรกระหลอนได้อย่างประหลาดเป่าลมออกจากงวงเบาๆรถมาที่ลำตัวของหลอนแล้วเคลื่อนกายแช่มช้าใช้งวงค่อยๆดุนหลอนอย่างสุภาพนุ่มนวลที่สุดมีอาตาเหมือนจะผลักใส่หลอนให้กลับไปในกองไฟใครจะบอกว่านายหญิงเข้าไปพักผ่อนเถอะหรืออะไรทำนองนั้นแล้วตัวเองก็เดินเนิบช้า ไปหยุดยืนอยู่ตรงตำแหน่งที่สันนิฐานว่าระพินเคยอาศัยนอนอยู่ก่อนณนคืนที่เขามาพักแรมอยู่ณเนินแห่งนี้ดารินยิ้มโบกมือให้กรมมันแล้วก้าวกลับเข้าไปยังบริเวณพักนอนที่พักพวกทุกคนรวมกลุ่มกันอยู่แล้วในหมู่พวกลูกหาวนั้งเดินๆช้าๆ ตรวจอาณาบริเวณเหมือนจะกำหนดเป็นปริมณฑลวางขายอาคมไว้อีกครั้งจากนั้นแกก็นั่งสมาธิสงบนิ่งอยู่คนเดียวบนก้อนหินเรียกก้อนหนึ่งส่วนทางที่นอนของฝ่ายเจ้านายนั้นตามปกติแปลนการนอนทุกครั้งดารินจะถูกกำหนดให้นอนอยู่ในแนวขนาบของพี่ชายทั้งสองคนโดยมีชัยยันอยู่ริมนอกสุดไม่ด้านซ้ายก็ด้านขวา แต่สำหรับคืนนี้อดีตนายทหารปืนใหญ่กระดิกนิ้วทําสัญญาณเรียกให้ดารินย้ายที่มานอนอยู่ข้างๆเขาโดยให้สับเปลี่ยนที่กับเชษฐาหล่อนยอมเปลี่ยนที่โดยดีแต่มองดูเขาอย่างสงสัยขณะนั้นชั ย, ยันนอนคว่าหน้ามีสมุดโน้ตประจําตัววางอยู่บนเป้หลังอันใช้เป็นที่รองและมือถือปากกาอยู่นี่นี่น อย่าไปนอนอยู่ใกล้ๆในกลางเลยคืนนี้มันนอนตรงนี้ระหว่างเชื่อถากับฉั้นดีกว่าบะเดี๋วดินกระทบกันไปกระทบกันมาได้ลุกขึ้นมาต่ อ, อยกลางดึกเช่นนั้นอะ่ะชยันบอกยิ้มยิ้มหญิงสาวเอ็งกายลงนอนงายชันเข่าขึ้นข้างหนึ่งหน้าบึง้งฉันน่ะไม่ต่อยก็เข้าร้องอย่างมากก็เอาพานท้ายไรฟฝนเสยปลายคางจะรู้แล้วรู้รอดคนอะไรก็ไม่รู้สิพูดจาฟังไม่เข้าหูเลย มันไสชมัดลอนบอกอุบอิบอยู่ในลำคออนุชาคงไม่ได้ยินเพราะนอนอยู่ริมสุดด้านโน้นและขณะนี้ก็ดูเหมือนจะหลับไปแล้วอย่างง่ายๆชา ย, ยันหัวเราะเบาๆลาวฉันพูดเล่นนะที่เรียกให้มานอนใกล้ๆนี่ไม่ใช่อะไรหรอกจะขอจดคาถาชินบัญชรออลืไมได้หรอดารินเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้หันมองดูหน้าเพื่อนชายผู้รักสนิท ซึ่งบัดนี้เขาก็เปิดไฟแบตเตอรี่ขนาดจิ๋วประจำตัวสว่างขึ้นเธอแน่ใจเหรอว่าจะรับพระมาห า, หาคาถาบทนี้ไว้ด้วยความเครารพศรัทธาเชื่อมั่นและจริงใจพร้อมที่จะมั่นภาวนาท่องจำให้ได้ทั้งหมดไม่จะสักแต่ว่าขอจดไวเฉยๆเท่านั้นซึ่งทนกรณีนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกรพินก่อนที่จะมอบแพกชั น, นเขาก็ตั้งคาถามอย่างนี้เหมือนกัน โทรแล้วกันสิน้อยทาไมเลื่อนสสัศ ร, รัทธาจริงฉันจะมาเตรียมตัวอยู่ยางงี้ทำไมแล้วห้ามบ่นว่ายาวหรือว่ายากที่จะจำนะเออสาบานเอาละเอาละถ้างั้นก็เตรียมจุดได้วันนี้เป็นวันครูด้วยคือวันพฤหัสตามปกติแล้วนะ่ะเธอจะต้องจุดธูปหอมเก้าดอกเทียนขาวแท้สองเล่มดอกบัวขาวเก้าดอกมลิหนึ่งพัน เพื่อรับพระคาถาบทนี้แต่ในป่าดงพงไพรแบบนี้มันก็ยากที่จะหาเครื่องศั ก, กระบูชาเช่นนั้นได้ก่อนดูโลมาไม่ต้องกันแล้วกันขอเพียงให้เธอตั้งจิตให้มั่นเท่านั้นฉันจะภาวนาช้าๆชๆัดๆทีละคำเพื่อเธอจุดได้ทันและในระหว่างการภาวนาของฉันนี่ใช้สูตรประสาทของเธอรับฟังให้ดีที่สุดนะห้ามถามซ้ำหรือขัดจังหวะขึ้นในตอนนี้ ยดทันได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นก่อนไม่แน่ใจในอัตคาถาคำไหนก็เว้นว่างไว้ก่อนค่อยสอบทวนให้ถูกต้องวันต่อไปเมื่อมีเวลาตกลงไหมเออตกลงแล้วก็เข้าใจแล้วแต่ก็ช้าช้านะพร้อมยังอะ่ะพร้อมดารินหลับตาลง พนมมือทั้งสองขึ้นเหนือสวงอกก่อนอื่นตั้งนโมสามจบก่อนนะเออเข้าใจส่วนบูชาองค์สมเด็จพระพุทธาจ้าโตพรมรังศีในอันดับต่อไปก่อนที่จะขึ้นชินบัญชรคาถาบูชาสมเด็จมีเพียงหนึ่งบทสีว่วัเท่านั้นแหละพร้อมนะ กาโมละเพบุตังธนกาโมละเพทนังอัติกาเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตตวายอิติปิโสภควายยมราชโน หาเวชชวโนโนมรณังสุขขันอรหังสุขโตนะโมพุทธายะเมื่อสวดคาถาบูชาสมเด็จพุทธาจารย์โตแล้วจงาาางึงเริ่มพระคาถาชินะบัญชรดังนี้ดารินเริ่มภาวนาช้าๆแผ่วเบา แต่ชัดเจนในทุกอัตคาถาแต่ละคําแต่ละวรรคตอนชัยยันเริ่มจดตามด้วยความตั้งใจอันแน่วนิงจนกระทั่งจบสิ้นพระคาถาทั้งหมดโดยบริบูรณ์ซึ่งกินเวลานานพอสมควรอ่ะขอคำแปลด้วยสิน้อยคำแปลเป็นร้อยแก้วหรือข้อความธรรมดา อาจจะทำให้เธอจำได้ยากนะชยันเอางี้ถ้าเธอต้องการคำแปลฉันจะขออัญเชิญคำแปลซึ่งร้อยกรองไว้เป็นกาบยานีโดยพระคุณเจ้าพระธรรมโกษาจารย์วัดราช บ, บำรุงชนบุรีท่านได้นำเอาข้อความแปลนั้นมาร้อยกรองไว้เพื่อให้ท่องจำได้ง่ายๆดังนี้ฟังนะ ข้าขอเชิญเสด็จพระสันเพชรพุทธองค์นราสภาสงพิชิตมารและเสนายี่สิบแปดพระองค์นายกสงสงสมยาตั้นหังกรเป็นต้นมาสงดื่มแล้วซึ่งรสธรรมจตุสัต อันประเสริฐทรงคุณเลิศดีลกลำยอดบุญพระคุณนำยิ่งเทศไทยไรวิชาโปรดรับประทับทรงณพี่ตรงกระหม่อมข้าข้าพุทธเจ้าสาทุประนม บังคมเชิญขอให้พระพุท ธ, ธสักกยะพระจำเริญประทับบนเสียงเทินปราดสันเสริญพระบารมีขอให้พระธรรมะอริยะวิสุทธิประทับจัก คุณทีให้ข้ามีปัญญายานขอให้พระสังฆวิสุทธคุนาจารสถิตประดิษฐานอุระธาอย่ารู้ไกลให้พระอนุรุษ บริสุทธิ์อยู่หะไทยราสาีบุตรภัยโรจนในณะเบื้องขวาเบื้องหลังพระโกนทันยะสถิตจิตตาเบื้องซ้ายพระโมกขลาณนะสถิตสถาพร หูขวาพระอานนท์ประชุมชนประนมกรพระราหุลอุดมพรสถิร่วมจรัญญาหูซ้ายพระกัดศพนิราชพบกิตติมาคู่กับพระมหา นามสถิธ ป, ประดิษฐานพระพุทธทโสภิตผู้เรืองฤทธิอุดมมยานจอมูนีวีระหานไรวิชาประภากรดุดดวงพระอาทิตแรงรอยฤทธ พันแสงสอนสถิตเกตอุดมมกรนปัจฉิมภพพิบูลพันพระกุมารกัดศพผู้เจนจบวัจจีสันบอบุญคุณนานันันสถิดโอทอลังการ ขอให้พระบุญนะเทระพระอังคุลีมานพระอุบาลีสารพระนันทะพระศรีวลีบรรจบเป็นเบนจพระเทระผู้เลื่องสี สถิตอยู่นาลาดมีสเสน่ห์ดีไมตรีตามแปดสิบราสาว o มนสาทกผู้เรืองนามเรืองเดช ท, ทุกโมงยามด้วยศีลาพิคุณคงสถิตทั่ว ส่วนกายทั้งน้อยใหญ่ประทับทรงเป็นคุณจำเริญมงคลเลิกประเรสริฐสีขอเชิญระบบิดอันศักดิ์สิทธิ์ในแดนตรีเมตตาและปรานี บริรักนิราชภัยเบื้องหน้ารัตนสูตรธรรมมาวุธอันเกลียงไกลทักษิณอันรือชัยเมตสูตรพระคุธมลปัดชิมทัชักทสูรพุทธาวุธ วิเศษลน้นอุดรมหามนอังคุลิมาลสูตรเสริมขันธโมรัปปริตดังจักกริตประสิทธ์เฉลิมอาตานาตสูตรเติมพระขันธเพชรพระเด็ดมาน เพดานกั้นมานอากาศให้ปลาลาดกเกษมสารอีกให้เป็นปราการกำแพงแก้วกำจัดไผ่กำแพงแก้วเจ็ดชั้นดํารงมั่นเดโชชัยพระชินราช ประสาทให้เป็นเกาะใหญ่คุ้มครองตนด้วยเดชะพระชินสีเรื่องฤทธีมากเหลือลน้นขจัดภัยทุกแห่งหนทั้งวิบัติอุปัฏฐาวาทั้งภายนอก และภายในเกิดเป็นภัยไม่นําพาเพียงลมร้ายพัดไปมาไม่ดีท่ายาอาวรเมื่อขา้าสวดพระสูตรพระสัมพุทธทบัญชรสูงสุดพุทธพร ในพื้นเมทันีดลกลางชินนบัญชรคุณากรกิติพลหวังใดให้เป็นผลจากกุศลสาทยายขอมวลมหาบุรุษนอพระพุทธทลื้สาย รักษาค่ายาคลายตลอดการนิรันดร อ, อีกเวทมนต์ดลคถาที่มวลค่าประนมก่อนเล่าเรียนเพียรว่าวร อ, อนุสรนตลอดมาเป็นคุณคุ้มครองดี อย่าให้มีซึ่งโรคาเป็นคุณช่วยรักษาสัพพภัยไม่แพ้วพานอานุภาพพระชินะอุปทวะอยารู้หานห่างไกลไม่ระรานประสบงาน สวัสดีอานุภาพพระธรรมะให้ชำนะความอปรีห่างไกลคนใจผีกาลกินีไม่กล้ากลายอานุภาพพระสังฆะให้ชำนะอันตรายไม่เห็น คนใจร้ายไม่มั่นหมายมาราวีอานุภาพพระศัวธธรรมทุกเช้าคำรักษาศีจำรักจำเรินดีร่มพระศีทินะบัญชร ท้อยคําประโยคสุดท้ายชัยยันก็จดเสร็จก้มลงกราบที่สมุดบันทึกที่จดไว้นั้นแล้วทอดกายลงนอนขณะที่ดารินก็จบมือประนมขึ้นเหนือหน้าผากแล้วลดลงมาประสานวางไว้บนอกพร้อมกับเข้าสู่พวังนิทราไปอย่างสงบหนึ่งร้อยสิบห้า แล้วอัดสดงคดก็มาถึงเหนือยอดปีกอินทรีอันเปรียบประดุดปากปล่องนรกเสียดยอดขึ้นไปสูงตระงานบนท้องฟ้าเคยเป็นคนมาปลุกเขาให้ตื่นขึ้นแจ้งให้ทราบว่าเป็นคำสั่งของฝ่ายนายจ้างเพื่อเรียกไปร่วมรับประทานอาหารมือเย็นขณะนั้นความมืดโรยตัวบกคลุมพื้นโลกไว้หมดสิ้นแล้ว ลมสงัดบนยอดเขาภายในเหลี่ยมมุมกำบังของโขดหินรอบด้านอากาศอันร้อนอบอ้าวเมื่อตอนบ่ายนบััดนี้แปลสภาพมาเป็นอบอุ่นหรืออาจจะอยู่ในเกณฑ์มีอุณหภูมิสูงไปกว่าทุกแห่งที่ผ่านมาแล้วเพียงแต่ว่าไม่ร้อนทารุณเหมือนเมื่อตอนกลางวันเท่านั้นบนนี้ไม่มีการก่อไฟเพราะไม่จาเป็นอีกประการหนึง่งก็หาเศษไม้มาทาฟืนไม่ได้ เห็นแต่แสงใต้หนึ่งท่อนที่พรานพื้นเมืองของเขาหรือพวกลูกหาบจุดลุกวอมแวมไว้ยังซอกหินบริเวณที่แยกกลุ่มจากนายจ้างไม่ห่างออกไปนะักพวกนั้นกินอาหารจากสเสบียงแห้งที่ยังพอมีติดตัวอยู่พอประทังตายกันไปตามมีตามเกิดส่วนตรงบริเวณที่นายจ้างจับหมูกันอยู่มีแสงจากตะเกียงไฟแบตเตอรี่ขนาดเล็กพอส่องเรืองเรือง ตังอยู่กลางวงและในระหว่างที่เสยเข้ามาปลุกเขาซึ่งเขาก็พงกษศีรษะขึ้นมานั้นมีแสงไฟฉายประจำตัวของใครคนหนึ่งส่องจ้าตามเข้ามาเหมือนจะตรวจดูอยู่ด้วยแต่พอเห็นเขาไหวกายดึงตัวขึ้นนั่งไฟฉายดวงนั้นก็ดับลงระพินสบัดหน้าไล่ขับไล่ความมึนงงเขาหลับสนิทไปจริงๆหลับอย่างไม่ฝันอะไรเลย ใช้ผ้าขาวมาลูบเช็ดใบหน้าขยี้ตาแล้วถามลูกน้องเบาๆว่านี่เฉพาะพวกเราพอมีน้ำหรืออาหารเหลืออยู่บ้างไหมเสยโอ้ยน้ำนักกรียนชาดไปแล้วละ่ะนายอาหารก็แค่เนื้อที่ย่างรมควันไว้ที่ติดตัวกันมาคนละก้อนสองก้อนเท่านั้นแหละมื้อนี้ก็คงเป็นมื้อสุดท้ายถ้าเราไม่ได้เนื้อสดมาเพิ่มเสยตอบด้วยเสียงปกติธรรมดา ไม่ได้มีวิแวววิตกกังวลอะไราพระชาชินต่อสภาพแบบนี้ใช่แล้วแมมเบรนะ่ะเขามียาแก้หิวน้ำรือน้ำแห้งที่ทำเป็นเม็ดมาด้วยเขาแจกพวกเรามั่งหรือยังแมมเบรเรียกไปแจกทุกคนแล้วล่ะนายคนละสองเม็ดจอมพลานพยักหน้าอืมดีแล้วระหว่างที่ฉันนอนหลับไปเมื่อตอนบ่ายทุกคนก็พักนอนกันไม่ใช่เหรอ ก็นอนกันทุกมลแหละนายเพิ่งมาตื่นเงินสักพักใหญ่เนี่ยก่อนหน้าที่เฉยจะมาปลุกนายนี่แหละมะพวกเจ้านายเขาก็นอนกันด้วยไอ้ส่วนใครจะนอนเล่นนอนหลับน่ะเฉยไม่รู้รู้แต่ว่าทุกคนก็นอนพักกันนั่นแหละระพินลุกขึ้นเดินตรงเข้าไปยังกลุ่มนายจ้างของเขาที่นั่งรอคอยอยู่ก่อนแล้วอาหารกระป๋องแบบเรซอนถูกนํามาเปิดเตรียมไว้พร้อมเมื่อหย่อนตัวลงในระหว่างกลุ่มบุคคลเหล่านั้น จากสีหน้าก็ดีจากสภาพของการพูดจาทักทายมาก็ดีสำเนีกได้ชัดว่าอเมริกันทั้งสี่และเชิดบุตคงจะได้พักผ่อนหลับนอนกันมาบ้างพอสมควรแล้วตลอดระยะเวลาของบ่ายวันนี้พระดูกระปรี้กระเป่าแจ่มใสกันทั่วหน้าแม้กระทั่งอิซาเบลซึ่งครั้งแรกดูว่าเหนื่อยหนักกระปรกีกระเปรียกว่าทุกคนในการปีนเขาตลอดครึ่งวันที่ผ่านมา บัตรนี้อาการของหล่อนแช่มชื่นแข็งแรงและอารมณ์ดีขึ้นแต่โดยทั่วๆไปแล้วทุกคนยังตกอยู่ในสภาพอิดโรยไปกว่าทุกครั้งยังเป็นงานเป็นการระพินถามทุกคนขึ้นมาว่าสเสบียงจากเรชั่นคำนวณดูหรือยังครับว่าเราพอจะใช้กันไปได้อีกสักกี่วันตรวจสอบดูแล้วระพินอเมริกันอาวุโสหัวหน้าคณะเป็นผู้ตอบ ถ้าทุกมื้อเราต้องอาศัยไอ้กระป๋องพวกนี้อย่างชาไม่ควรเกินสามวันเท่านั้นเฉพาะพวกเราหกคนนี้เท่านั้นนะแต่ถ้าจำเป็นจะต้องแจกจ่ายพวกลูกหาบแล้วก็พรานของคุณด้วยก็แปลว่าอีกมื้อเดียวหมดงั้นก็เอาเป็นว่าเฉพาะพวกคุณแล้วกันพวกคุณห้าคนไม่ต้องรวมผมด้วยหรอกถ้ายังมีเรชั่นประทังชีพกันไปได้อีกสามวันก็เกินพอละ พระระยะเวลาอีกสามวันข้างหน้าผมแน่ใจว่าเราจะได้อาหารสดจากเนื้อสัตว์ตามเส้นทางที่เราจะผ่านแล้วเมื่อหมดเรชั่นแล้วพวกคุณก็ต้องกินอย่างพวกผมนะ่ะอะไรก็ตามที่มันจะประทังชีพได้ก็ต้องกินมันทั้งนั้นแหละเข้าใจดีแล้วใช่ไหมครับในข้อนี้ไม่ต้องห่วงระพินเรากินได้แม้กระทั่งเนื้อคนถ้าจาเป็นอิเบนตอบมาเรียบเรีย แต่หางเสียงประชดเพราะอาการยิ้มแค่นแค่สำคัญอย่างเดียวขอให้คุณนำทางให้ดีหน่อยก็แล้วกันฉันไม่อยากจะตําหนิคุณหรอกเพราะยังไงก็ตามไม่มีวันจะโต้แย้งกับคุณในเรื่องนี้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกํามือของคุณะเกี่ยวกับเส้นทางแต่ขอความก ร, รุณานะว่าถ้าเป็นไปได้ช่วยนําหลีกเลี่ยงไอ้หุนทางชนิดมหาโหด หรือโคตรลำเคนออกไปสะบ้างเราแน่ใจอะว่าคุณเลือกได้รวพินไม่ถือสาตอบมาน้าเสียงปกติว่าครับผมจะพยายามครับเบลแล้วคุณก็ควรจะรับรู้ไว้ด้วยว่าตัวผมเองพลานของผมแล้วก็ลูกหับทุกคนล้วนก็อยากจะหลีกเลี่ยงหนทางที่คุณเรียกว่ามาหาโคตรโคตรลำเคน ด้วยกันทั้งนั้นแหละมีใครมั่งอยากจะเหนื่อยยากโดยไม่จำเป็นแต่บางครั้งผมก็ยอมรับว่าผมพลาดโดยไม่ได้เจตนาไม่ใช่เพราะต้องการจะพิสูจน์ให้เราเห็นตามที่คุณเคยบอกไว้ก่อนเนอะไอ้หนทางที่จะนำไปนะ่ะมันยากแทนธุรกันดานสาหัสนะักเบลพูดยิ้มแบบเล่นๆอยู่เช่นนั้น ระพินยกมือขึ้นตั้งตรงในระดับไหลสบาบา a ครับผมไม่ได้มีเจตนาหรือความคิดเช่นนั้นเลยขอให้เราเลิกแลลงใจต่อกันสักทีเถอะขอยุ้าอีกครั้งครับผมนำพวกคุณมาในครั้งนี้เพื่อหวังในความสําเร็จและทุกคนได้มีชีวิตรอดกลับคืนไปไม่ใช่นำมาเพื่อให้ตายกันทั้งหมดมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะทำเช่นนั้น ถ้าคุณไม่มีสติปัญญาพอที่จะวินิจฉัยออกมาได้ก็ขอเชีย้สังเกตดูเหตุผลง่ายๆที่พวกคุณอาจจะมองข้ามในหนทางที่ผ่านมาแล้วรวมทั้งครั้งล่าสุดเมื่อบ่ายนี้ด้วยตัวผมเองคนนำทางสบักสบอมแล้วก็ได้รับอันตรายมากกว่าทุกคนหรือพวกคุณเห็นว่าลำพังตัวผมสบายดีทุกอย่างแต่พวกคุณเป็นฝ่ายลาบากก็โทษ ถ้าฉันพูดอะไรผิดไม่เป็นที่พอใจของคุณน้ำเสียงของเบนมีความหมายจริงใจและอ่อนโยนลงเธอไม่เป็นไรหรอกผมน่ะเลิกถือสาเลิกความคิดที่ไม่พอใจในพวกคุณทุกคนมานานนั่นละนับตั้งแต่เราร่วมเป็นร่วมตายกันอย่างแท้จริงแบบนี้ผมรู้ว่าพวกคุณจะเริ่มซึมซาบในเหตุการณ์ที่เราจะต้องเผชิญหน้าร่วมกัน และรู้จักแก่นแท้จริงใจของผมขึ้นตามการเวลาที่ผ่านไปนี่คุณถ้าคุณไม่สบายหรือรู้สึกผิดปกติในทางสุขภาพเมื่อไหร่ก็บอกให้รู้ด้วยแล้วกันในที่สุดบูเบลก็พูดอย่างเด็กๆหมดข้อแดกๆดกดันเหน็บแนมใดๆอีกแทนคำตอบสุภาพบุรุษภัยพยักหน้าลงง่ายๆและมองไปยังทุกคน ถามรวมๆ ว, ว่าระหว่างที่ผมพักหลับเป็นตายไปตั้งแต่บ่ายนี่ทุกคนและสภาพทั่วๆไปเป็นปกติดีใช่ไหมครับเก่ อ, อะไรขึ้นมั่งหรือเปล่าใครไม่สบายหรือเป็นอะไรมั่งไหมสำหรับพวกคุณเราหลับกันไปด้วยความอ่อนเพลียทุกคนล่ะคุณแล้วเมื่อตื่นขึ้นมาทั้งสุขภาพกายและกําลังใจของเราก็ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นว่าคุณหลับสบายไม่ได้เป็นอะไรสแตนลี Stanley ตอบเสียงลึกเขาเป็นคนที่มั่นคงหนักแน่นต่อทุกสถานการณ์อยู่เช่นเดิมเออนี่คิดผมเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลานะเกี่ยวกับวิทยุของคุณระพินหันไปทางพันเอกแห่งย s เอส y มีในหัวเกรียนร่างยักษ์เบ้ปากกระตุกไหล ก่อนคุณตื่นเราพยายามติดต่อแล้วละ่ะเสียงเบาอู้อีมีคลื่นรบกวนยังก็จะติดต่อกับโลกอังคารก็ไม่ปานเลวร้าำหมาเลยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันก็ค้นหาพิกัดของเราไม่ได้เป็นเรื่องพิลึกจริงๆดูยังก็ว่าพวกเรากำลังจะลับหายไปจากสายตาการเฝ้าติดตามของพวกนั้นเงันเนี่ย นี่สมมุตินะระพินสมมติว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆโดยการต้องการความช่วยเหลือไอ้พวกนั้นจะใช้เครื่องบินตรวจการเราค้นไม่พบเลยนะพวกคุณหวังกันไว้มากเกินไปครับจอมพลานกล่าวพึพมพำเหมือนจะพูดกับตัวเองวางกระป๋องเรั่นที่กินจนหมดลงแล้วรับถ้วยกาแฟจากเชิดวุฒิที่ส่งมาให้ ผมก็ได้แต่พูดซ้ำๆ ซ, ซักซ่าจนพวกคุณอาจจะฟังแล้วเบื่อไอวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าของพวกคุณมันใช้ได้ในโลกส่วนใหญ่เท่านั้นแต่อาจจะมีมุมหรือซอกเร้นลับจุดใดจุดหนึ่งของโลกที่เรายังไม่อาจสำรวจได้ทั่วใบนี้ทำให้กฎเกณฑ์ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ไม่เป็นผลเอาเลยอะไรก็่างเถอะ วาระสุดท้ายจริงๆแล้วภาวนาขอให้กระสุนปืนของเราลั่นทุกนัดแค่นี้ก็พอแล้วคุณพร้อมกับกล่าวเขาก็ทดลองอาวิทยุประจำตัวขึ้นมาเปิดสวิตแล้วผิวปากลงไปเบาๆที่บริเวณใหม่ก็ปรากฏว่าเสียงนั้นได้แปลงออกมาเป็นคลื่นไปเข้ากับเครื่องรับของพักพวกบางคนที่ยังเปิดอยู่แล้วเมื่อทดลองกดสัญญาณเรียก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 มาดูคันคานกันพีก่กออยากจะแนะนำว่าคุณน่อย่าไปหัวเสียหรือสนใจอะไรกับไอ้กล่องนั่นเลยปล่อยมันตามเรื่องเะคุณถ้าสถานีลอยสามารถควบคุมการเดินทางของพวกเราได้สามารถรู้พิกัดที่อยู่ของเราทุกระยะผมว่าเขาก็สามารถจะค้นตำแหน่งตกของให้เครื่องบินห้าสิบสองลำ B ห้าสิบสองลำนั้นได้เป็นนานแล้วคงไม่มีคำสั่งลับให้พวกคุณต้องมาเดินงมหาในป่าลาบากยากแค้นอย่างนี้หรอก ผมอยากจะอธิบายทราบแต่แรกแล้วแต่ก็ไม่กลา้าเดี๋ยวนี้อะไรต่ออะไรพวกคุณก็รู้เห็นกันมั่งแล้วแม้จะไม่มากนักก็ตามแต่มันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีพอในสิ่งที่ผมบอกไว้แล้วจริงหรือเปล่าทุกคนฝ่ายนายจ้างนิ่งไปชั่วขณะมันเป็นอาการนิ่งสะดุดคิดด้วยอาการหนาวที่แล่นเข้าจับดวงจิตทั้งั ท, งที่บรรยากาศโดยทั่วๆไป อบอุ่นเกือบจะเป็นร้อนระอุเสีด้วยซ้ำได้ยินก็แต่เสียงโคลนเดือดอยู่ในบ่อดังปุดปัดแแววมาแล้วท่ามกลางความเงียบเสียงเบาแต่ชัดเจนของคริสตินะ่าผู้ไม่ได้พูดคำใดเลยนับตั้งแต่เขาเข้ามาร่วมวงด้วยก็ดังมาว่า<อ>พวกเราเข้าใจและรู้มานานแล้วเหมือนกันว่าผู้นำทางและหลักประกันทุกชนิดของพวกเรา คือคนชื่อระพิน์ไพรวันไม่ใช่วิทยุบ้าๆเครื่องนั้นหรอกหอบังคับการเดินทางครั้งนี้อาจตัดบัญชีทิ้งเราได้ไง่ายๆเมื่อเขาค้นหาหรือติดต่อกับเราไม่ได้แต่คุณคงไม่ทิ้งเราไม่ใช่เหรอประโยคหลังเป็นคำเปรย์อย่างใจเสืยอมากกว่าจะเจตนาให้เป็นคำถามระพินจึงไม่มีคำตอบใดๆนอกจากมองเงียบๆ ไปทางผู้พูดเท่านั้นและหล่อนก็ไม่ได้คาดคันอะไรมาก่อนแยกพระมานอนเขาเอาแผนที่มาร่วมพิจารณาดูกับฝ่ายนายจ้างอันประกอบด้วยสเตลีดคีตและเชิดบุตรส่วนคริสติน่าและเบลไม่ได้เข้ามาร่วมดูอยู่ด้วยไปเอนกายเหมือนจะนอนพักคุยอะไรกันอยู่ตามลำพังยังบริเวณอันเป็นที่เตรียมไว้สาหรับนอน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 ภายหลังใช้เวลาซักถามหารือเพียงไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็หาโอกาสเรียกนายคิดเข้ามาพบกันลำพังสองต่อสองบริเวณหลังหินใหญ่ก้อนหนึ่งในช่วงจังหวะที่พักพวกทุกคนไม่ติดใจสงสัยหรือเห็นเป็นเรื่องผิดปกติอะไรไปคิดมีอะไรที่ผมอยากจะขอร้องคุณเป็นพิเศษหน่อยนะ ในผมเกลียนจ้องหน้าเขาอย่างพิศวงนะว่าไปมีอะไรเลยพูดกันตรงๆเลยนะไม่ต้องอ้อมค้อมกันละคุณกระเชิดบุญเน่ะมักจะมีรายการพิเศษอะไรอยู่กับเบลเสมอเสมอบางทีก็ผลัดกันบางทีก็ร่วมกันสามคนเลยเรื่องนี้ผมไม่ขัดข้องหรืออยากจะเสือกอะไรด้วยหรอกแล้วก็รู้สึกเห็นใจทุกฝ่าย รวมทั้งเคารพในสิทธิเฉพาะตัวของแต่ละคนคืนนี้บนนี้หมายถึงบนเขาอินซีที่พวกเรามานอนพักกันอยู่นี่อากาศมันก็อบอุ่นและสิ่งแวดล้อมมันก็อำนวยให้ดีคือมีช่องมีมุมมีเหลี่ยมหินบังตารอบด้านไปหมดเฮ้เฮ่เฮเฮเฮในคิดร้องเร็วปรือระพินสวนขึ้นทันควันว่า ฟังผมให้จบก่อนคิดเรานะลูกผู้ชายด้วยกันอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในคณะของเราอย่านึกว่าผมจะไม่รู้แม้จะไม่เห็นจักแจ้งก็ตามสิ่งที่ผมจะขอร้องก็คือเฉพาะคืนนี้บนนี้ถ้าหากคุณหรือเชิดบุตรเกิดจะนึกสนุกในด้านเซ็กขึ้นมาแล้วก็โปรดระ ง, งับไว้จ้ะ อย่าให้เกิดขึ้นบนยอดเขาแห่งนี้เป็นอันขาดแต่ถ้าเราพ้นลงจากที่นี่ไปแล้วก็เชิญตามสบายทุกสิ่งทุกอย่างสุดแต่ความพอใจเหมือนเดิมคิดลืมตาโตยิ่งประหลาดใจเพิ่มขึ้นคุณต้องมีเหตุผลแน่ๆใช่ไหมใช่มีแน่จอมพรานบอกเสียงเบาแต่หนักแน่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 ขอเพียงคืนเดียวบนนี้เท่านั้นอะ่ะผมไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่ขอร้องไว้แล้วคุณจะทำให้เกิดขึ้นในคืนนี้แต่การสั่งเตือนไว้ก่อนย่อมปลอดภัยกว่าคิดกระพริบตาปริบ ป, ปริบจ้องเขาอยู่อึดใจนึงก็หัวรอกึกึกๆลงมือส่งมือให้จับตกล้ลงตกลง้ลงไม่ต้องห่วง เป็นการดีมากที่เตือนความจริงบรรยากาศันนี้มันก็ดีมากนะคุณตอนดึกๆผมก็กะจะสครูเบลรือคริสอยู่เหมือนกันถ้าบาังเอนอนไม่หลับระพินยิ้มนิดหนึ่งสครูเบลนะ่ะคงไม่ยากเพราะเคยกันอยู่เป็นประจำแล้วไม่ใช่เหรอแต่ถ้าจะสครูคริสแล้วก็ขอให้ดูทิศทางลมให้ดีหน่อย เพราะไขควงคุณอาจจะหักหรือมิฉะนั้นร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของคุณอาจจะพิ ก, การไปได้ง่ายๆแต่ไม่ว่าจะเป็นเบ ล, ลหรือคริสตะก็ขอให้คุณระ ง, งับความคิดนี้ไว้เถอะขอแค่ที่นี่คืนนี้เท่านั้นแล้วทำไมคุณไม่เรียกเชิดบุตรมาบอกด้วยล่ะบอกคุณคนเดียวก็พอแล้วคุณก็ช่วยไปกระซิบบอกเชิดบุตรแล้วกัน เมื่อผมขอร้องว่าอย่างนี้ความจริงผมก็อยากจะเรียกมาพูดพร้อมกันทั้งสองคนนั่นแหละแต่เกรงว่าจะดูเป็นที่ผิดสังเกตเกินไปไปอยู่ไม่อยู่ก็เรียกสองคนมาพูดซุบซิบอะไรนั้นในระหว่างคุณกระเชิดวุฒิผมเลือกเรียกเอาคุณมาพูดย่อมดีกว่าเพราะถ้าคุณเชื่อผมคุณไปบอกเชิดวุฒิได้แต่ถ้าผมบอกเชิดวุฒิและเขาไปบอกคุณอีกต่อหนึ่งผมว่าคุณไม่เชื่อ คิดจังหัวเราะชอบใจอยู่อย่างนั้นถามว่าบอกผมหน่อยได้ไหมแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเราไม่ควรจะทำในสิ่งที่คุณห้ามบนนี้ประสาทส่วนที่หกหรือสังหรณ์บางอย่างไงบอกกับผมอย่างนั้นอย่างน้อยคุณก็ต้องยอมรับในประสบการณ์เดินป่าไตา่ตตเขาของผมสิ่งนี้มันอธิบายกันยากคุณ มันสัมผัสเข้ามาทางดวงจิตผมขอร้องเพียงแค่นี้นะคุณไงไงก็อย่าลืมไปกระซิบบอกเชิดวุธด้วยอ้าวคุณก็ไปพักผ่อนได้แล้วป่าวจบเขาก็ตบหลังคีดเบาๆอย่างคุ้นเคยแบบเพื่อนสนิทแล้วเดินผ่ะออกจากบริเวณที่เข้าไปซุบซิบพูดกันอยู่เดินอ้อมหินนกไปอีกด้านนึงตรงไปตรวจและสั่งการดูแลความเรียบร้อยทางด้านพรานคู่ใจทั้งสี่ แล้วพวกลูกหาดที่นั่งบ้างนอนบ้างระเกะระกะอยู่อีกซอกคูหาหนึ่งไม่ห่างไปจากนายจ้างนักขนาดพอชะโงกมองเห็นกันได้กลุ่มของนายจ้างดูเหมือนจะเอนกายพักผ่อนกันหมดแล้วภายหลังจากมีเสียงสนทนา พ, พ, พึมพึมพำพกันอยู่อีกครู่เดียวการนอนในคืนนี้ทั้งกลุ่มไม่มีอะไรจะต้องพิถีพิถันระมัดระวังนัก เว้นระยะนอนห่างกันพอควรเครื่องกันหนาวทุกชนิดไม่ได้ถูกนําออกมาใช้เลยเพราะสภาพของบรรยากาศที่เกินขีดที่เรียกว่าอบอุ่นแต่ควรจะเรียกว่าระอุอบอ้าวเสียมากกว่าทุกคนเหงื่อซึมเนะหนะเหนียวกายไปหมดพวกผู้ชายถอดเสื้อเดินป่าในตอนกลางวันออกปล่อยหนังกําพร้าพึงลมที่โชยมาเป็นระยะระยะ เกือบจะอยู่ในสภาพเปลือยเป็นครั้งแรกส่วนอิสเบลก้คริสติน่าใช้กระดาษเย็นเคมีคนละหลายผืนหลบมุมเหลี่ยมหินไปชำระความหมักหมมของร่างกายแล้วเปลี่ยนชุดเดิมออกหมดทุกชิ้นสวมชุดปกติธรรมดาที่ค่อนข้างจะเบาบางใหม่ทั้งชุดโดยอาศัยความใหม่สะอาดของเสื้อผ้าให้ช่วยลดความหนอะหนะ ก, กายลงไปได้บ้าง โดยคาสั่งของระพินสมุนคู่ใจของเขาทั้งสี่ไม่ว่าจะเป็นตาเท่าบุญคําจันเกิดหรือเซยถูกกำหนดให้กระจายกันออกหาที่นอนดักทิศทางของฝ่ายนายจ้างไว้รอบด้านในระยะห่างพอสมควรยกเว้นพวกลูกหาบเท่านั้นที่นอนรวมกลุ่มกันอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของนายตาบอันเป็นหัวหน้า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 สั่งยังไงทั้งสามก็ปฏิบัติตามเช่นนั้นในทันทีต่างคนต่างแยกย้ายกันออกไปคงเหลือก็แต่บุญคำเท่านั้นที่ทำหน้าบ้องแบวมองดูเขาอยู่ยังไม่ยอมขยับขยืขย่นนายสั่งแปลกดีนี่ผิดไปกว่าทุกคืนแกพูดขึ้นลอยๆอยอะไรล่ะที่ว่าแปลกอะระพินกระชากเสียงถามอะ ก็ทุกคืนน่ะนายไม่เห็นจะต้องมาสั่งอย่างนี้นี่นะพวกบุญคำทุกคนก็รู้หน้าที่ดีอยู่แล้วว่าจะต้องคอยดูแลพวกนั้นยังไงมัง่งพรานใหญ่ขมวดคิว้วแล้วปรับสีหน้าเป็นปกตินี่อย่ามันมีปัญหามันมากนักเป็นนะตะคาสั่งยังไงก็ทอยางงั้นก็แล้วกันคนอื่นสั่งยังไงเขาก็ทำย่างงั้นไม่เห็นใครจะเสือกซอกแซกเหมือนเราเลย บุญคำยิงฟันฮึไอ้คำเสือกนะ่ะมันมีประโยชน์สำหรับนายนะ่ะจะบอกให้ไม่จะเสือกทรงเดชนายมีอะไรก็ควรบอกไอ้คำรู้ไว้ล่วงหน้ามัง่งเกิดอะไรขึ้นจะได้แก้ไขถูกทางไม่งั้นจะพาซึ่งแล้วก็พาเซอร์และจะมาด่ากันทีหลังไหวคำไม่เป็นภาษาไม่ได้นะ่ ทำตามที่ชัดสั่งตะกี้กันแล้วกันรับพินพยายามตัดบทบุญคําเอามือลูบหัวที่คอดไปด้วยเส้นผมติดหนังหัวของแกยังไม่ยอมลุกขึ้นจากการนั่งขัดสมาธิอยู่ตรงหน้าเจ้านายนายเราเห็นหน้ากันอยู่แค่นี้แหละนะนายนะตอนนี้ไอ้งแงซ้ายก็ไม่ได้อยู่ใกล้านายเหมือนก่อนแล้วะหรือไอ้คําเป็นคู่คิดของนายอยู่คนเดียวเท่านั้น ถึงไอ้คำจะไม่เท่าทันนายไปหมดซะทุกอย่างเหมือนแง้ทรายไอ้คำก็อยู่กับ น, นายมานานแล้วชั่วชั่วดีดีสองคนสองหัวคิดก็ยังดีกว่าคนเดียวหัวเดียวนายนะระพินถอนใจเขื้นเอาชายผ้าขามาที่เขียนเอวอยู่ขึ้นมาเช็ดเหงื่อที่ผุดซึมบนหน้าผากและกานคออันเนื่องมาจากสภาพอันร้อนระอุ ข, ของอากาศมองดูบุญคำ ขณะนี้แกก็ล่อนจอนนุ่งผ้าเขามาอยากรังอยู่ตัวเดียวเท่านั้นเสื้อกางเกงถอดผาดไลไว้คือเนี่ยอากาศมันร้อนจัดในที่สุดเขาก็เอ่ยขึ้นเรียบเรียบครั้งแรกนึกว่าตะวันรับฟ้าไปแล้วมันจะเย็นลงบ้างกลับตรงข้างมีท่าว่ายิ่งดึกมันจะยิ่งทวีความร้อนขึ้นอีกพวกนั้นอาจจะนอนไม่หลับ แล้วก็ลุกขึ้นมาเดินเพ่นผ่านถ้าอยู่ในเฉพาะบริเวณที่กำหนดไว้มันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเดินออกนอกเขตที่เรากำหนดไว้เป็นปริมณฑลปเดี๋ยวก็จะเกิดเรื่องยุ่งยากขึ้นอีกนบนนี้น่ยมันดูผาดผ่านว่าน่าจะปลอดภัยดีที่สุดแต่บุญคำก็รู้ไม่ใช่เหรอเมื่อมันอันตารายทุกฝีก้าวย่างบุญคาแหงหน้ามองดูท้องฟ้าขณะนั้นยันข้างแรงอ่อ น, ออน เริ่มจะโผล่พ้นเหลี่ยมเขาขึ้นมาครึ่งดวงมีแสงแดงกำลังคล้ายๆดวงตะวันตอนจะจากฟ้าพระจันทร์เป็นสีเลือดแกพึมพำออกมาลอยๆนิ่งไปขณะหนึง่งก็บอกต่อมาเบาๆว่าคืนนี้บนนี้ไอ้โครผีดิบมันไตรมันทำอะไรเราไม่ได้หรอก แต่มันก็มีอะไรที่บุญคำไม่รู้แต่นายอาจรู้กุมชะตาชีวิตพวกเราไว้ทั้งหมดแต่บุญคำก็เชื่อนะว่านายต้องแก่ตกฉันจะแก้ตกหรือไม่ตกจะเกิดเหตุวิบัติฉิบหายทั้งหมู่คณะหรือไม่หรือจะเกิดขึ้นเฉพาะใครมันก็ขึ้นอยู่กับที่ฉันได้สั่งบุญคำกับพวกไปแล้วนั่นแหละ เคยคอยดักเฝ้าสกัดพวกนายจ้างไว้อย่าย ใ, ใครทําอะไรบัดสีบัดเถล่งอย่าให้ใครออกนอกบริเวณนี้โดยเด็ดขาดใครจะปวดหนักปวดเบาไปทําธุระส่วนตัวยังไงก็จะต้องอยู่ในการดูแลใกล้ชิดของพวกบุญคําทั้งสี่คนหย่ายคลาดสายตาไปนัันขาดเสียงของระพินเน้นหนักจริงจังก็ น, นายเตือนพวกเจ้านายเขาไว้แล้วหรือยังล่ะ ว่าเขาควรจะทำยังไงบ้างฉันก็ไม่ได้เตือนตรงๆหรอกแต่ก็เตือนทางอ้อมไปยังในห้างคิดนีน่มันมีอยู่หลายประเภทที่จะก่อให้เกิดอันตรายขึ้นออกนอกปริมณฑลโดยพวกเราไม่รู้เห็นเพราะอยากจะมาหามุมรับลมหรือเดินเล่นทำสับปะเดินพิเรนต่างๆเป็นต้นว่าแก้ผ้าแก้พรแหกปากตะโกนเอะอะ สมบทสาบานหรือว่าสมสู่กันแก้ร้อนพระนอนไม่หลับอะไรทํานองนี้มีคนหน่าห่วงอยู่สามคนคือนายคีตนายตาหันเชิดบุตรกแม่มเบีร์เพราะทั้งสามคนนี่ไม่ค่อยจะสํารวมนะไนาย่างบอบกแม่มคริสคงไม่กะไรนะรักหรอกบุญคำพยักหน้าลงงึหนึ่งก็ถึงว่าสิ น, นาย บุญคำก็เสียวเสั้วงนเหมือนกันนายคิดกับ น, นายทหารเชิดวุฒิแสดเดียวกันอยู่แล้วคือแส่งีหรือแสหลีส่วนแมมเบงก็ทำท่ามันจะแก้ผ้านอนคืนนี้ดีแต่แมมคริสห้ามไว้ถึงงั้นก็แงเก่งนายก็เสื้อนายก็ไม่ใสปล่อยให้กระพือก็ระเพื่มอยู่ข้างในเสื้อบางๆตัวเดียวเท่านั้นระพินหันมาจ้องหน้า แล้วบุญคำรู้ได้ไงเกี่ยวกับแมมเบีบุญคำหัวร่อฮึหึในลำคอฮนายก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้คำน่นลูกอีช่างแอ บ, บดูตะกี้นี้แมมสองคนนั่นแอ บ, บเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังก้อนหินเอากระดาษเย็นที่อัดอยู่ในถุงพลาสติกสำหรับเช็ดหน้าช่วยกันเช็ดใหญ่เช็ดตหน้าเมื่อไรสารพัดแหงที่แม่จะประคุณจะเช็ดได้ นี่ไงล่ะบุญคำเก็บมาหมดแล้วของดีทั้งนั้นที่จะเอาไว้รวมรันกับไอ้ผีนรกมันไรเฮ้ไปขอตรงๆไม่ได้หรอกก็เดี๋ยวถูกตบต้องคอยโอกาสแอบบเก็บเอาแบบนี้แหละนายว่าแล้วแกก็ค่อยๆเอาห่อพลาสติกที่แอ บ, บไว้ข้างหลังทำท่าจะแก้ให้เจ้านายดูสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในแลพิงผลักมาที่ศีรษะของแกรองเบา ต้องแกะออกมารกเล่นแต่ของสปกปรกโสโครกทั้งนั้นอีตานนี่มันตามเก็ไปดีเถอะพระเจ้าวิชาคมที่ร่ำเรียนมากลับคืนไม่หาครูหมดหรอกเอ้ยมันไม่เกี่ยวกันรกนายขอยรู้จักวิธีเท่านั้นพระก็เทิดไว้เนื้อหัวส่วนเดรฉ า, านวิชามมยาโสโครกพวกนี้เราก็เก็บไว้ตำกว่าระดับสะดือ อย่าเอามาคละปนไปกันเท่านั้นมันไตรมันเป็นหนามยอกอกเราถ้าเราไม่เอาหนามบ่งมัก็สู้มันไม่ได้หรอกดีเท่าไหรแล้วที่นายสู้กับมันดึกของสูงขั้งบุญคําก็ฟาดกับมันดึกของต่ําให้รู้ไปว่าสองกำลังของเรานะ่ะทั้งสูงทั้งต่ําช่วยกันแล้วเรายังแพ้เสียทีมันไอผีดิบอั ป, ปรี น, นบุญคำไม่ ยันมันรักแต่ขนหัวลุกสู่สู่มาตั้งแต่ไปยิ้ขึ้นยอดเขาลูกนี้แล้วถามจริงเหอะนายนำทางผิดหรือเปล่าระพินยิ้มขึ้นขึ้นแล้วสั่นศีรษะแช่มช้าบุญคำฉันนำทางไม่ผิดหรอกฉันรู้ว่าบนนี้น่ะมีอะไรและเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงพรุ่งนี้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 บุญเาําบุญคำตบเขาตัวเองทางไอ้คำนึกแล้วไม่เลย อ, อยังนายจะนำทางผิดแต่เห็นนายตีหน้าสือสนิดดีจริงบอกกับพวกนั้นว่านายนำขึ้นผิดทางบางขณะนะเราก็ต้องโกหกเหมือนกันไทยเขารู้ล่วงหน้าซะก่อนว่าบนนี้มันเป็นยังไงเขาอาจจะรวนเรและไม่ยอมขึ้นมากับเราก็ได้ ผลที่สุดก็จะต้องยอมเสียเวลาไปเ ป, ปล่าเราเสียเวลาไปมากแล้วนะบุญคําตลอดระยะทางมีเหตุให้ต้องหยุดพักอยู่เรื่อยเดินกันไม่ได้เต็มที่เลยถ้าเราทํางานให้เขาสําเร็จเร็วเราก็ได้กลับบ้านเร็วรูปบุญคําอยากจะมาเป็นพระรามเดินดงอยู่จนตลอดชีวิตแบบนี้เหรโอ้ยนายบุญคําก็อยากกลับบ้านเร็วเหมือนกันแหละแกบอกอ่อ ย, ออย แล้วยิ้มแห้งแรงนิ่งไปอีกอึดใจก็ถามว่าแล้วนายสั่งให้บุญคำกับไอ้สามคนไปคอยเฝ้าดูแลพวกเจ้านายเป็นวิเศษอยู่ทางโน้นนายจะทำอะไรอยู่ตรงนี้จอมพรานชูทูปจำนวนหนึ่งที่ถือเตรียมอยู่ก่อนแล้วให้พรานคู่ใจของเขาดูประเดี๋ยวฉันจะจุดทูปบอกกล่าวแล้วก็สวดมนต์ภาวนา ขอให้พวกเราทุกคนปลอดภัยตลอดทั้งคืนนี้ถ้าตะวันขึ้นอีกครั้งโดยที่พวกเราไม่เป็นอะไรกันเลยก็เป็นอันว่าเราผ่านยอดเขามรณะนี่ได้สบายแล้วแลวก็ไม่ต้องเป็นอะไรด้วยถ้าบุญคำกับอีกสามคนทำให้ฉันได้ตามที่ฉันสั่งสมุนขวาของเขาจ้องหน้าแล้วเหลือไปที่ทูบในมือของเจ้านายซึ่งยังไม่ได้จึด บังเกิดอาการขนพองสยองกล้าวขึ้นมาอีกครั้งจนต้องเอามือลูบขยี้แขนนายถ้าไม่นายไม่บอกบุญคำมั่งว่าบนนี้น่ะมันมีอะไรเสียงของแกเบาที่สุดยายฉันบอกเลยบุญคำเพราะฉันเองก็ยังไม่แน่ใจนะบุญคำเองก็เป็นคนดีมีวิชาไม่ใช่เหรอก็ลองนั่งทูบดูสิเอาไหมลองดู ว่าแล้วเขาก็แยกธูปในมือออกมาหนึ่งดอกส่งให้บุญคำแกรับมาอย่างลังเลอุบอิบอุบอิบมาว่าเอบุญคำกันนายนะ่ะมันมือคนละชั้นนะนายเรียนวิชาชั้นสูงชั้นพรมศาสตร์เทวศาสตร์บุญคำนะมันชั้นเดียราฉานโลกีชานขั้นต่ำแบบพ่อมดหมอผีธรรมดาเท่านั้นบางทีไล่ผี ผีก็ยังไม่ออกเลยไอ้นางทูปนะ่ะก็เคยนั่งแต่จะมองเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้มาขอเวลาสักเดียวเหอะถ้านาทีไม่เห็นก็คงไม่เห็นตลอดไปนั่นแหละต่อให้หนั่งทั้งคืนก็เหอะแกลูบมือทั้งสองข้างลงกับผ้าเขามาที่นุ่งอยู่แล้วยกขึ้นเปล่าเหมือนจะไล่เสนียดโสโครกความชั่วร้ายออกซะก่อนต่อจากนั้นก็จบขึ้นเหนือศีรษน แล้วลูบไปที่กลางกระหม่อมของตนเองเสยจรดต้นคอด้านหลังสามครั้งจากนั้นจึงเอาไม้ขีดจุดทูบขึ้นผ้าแถบสีขาวที่มีประจำตัวอยู่ในย่ามตลอดเวลาหยิบออกมาสภายเฉียงไหลท่าทางเคร่งขรึมปักทูบลงกระซอกหินตรงหน้าแล้วนั่งสมาธิเพชรยืดกายตรงแนวประสานมือทั้งสอง วางรองกันบนตักหลับตาสกดปรา น, นีลมหายใจเบาบางที่สุดแบบเข้าสมาธิระยะเวลาระหว่างนี้ระพินไพรวันจุดบุรีสูปนั่งเอาหลังพิงก้อนหินมองดูแกอยู่เงียบๆอึดใจใหญ่ต่อมา ร่างกายของแกเริ่มจะสั่นเทิมและบิดเบี้ยวราวกะ ง, งูข้าวหน้าเปลี่ยนจนแทบจะจำไม่ได้สะแยกแย่เขี้ยวค่อยค่อยเสือตัวราบไปกับพื้นและมีอาการเหมือนจะเลื้อยรพิงใช้ฝ่ามือตบปังลงกลางหลังโดยแรงพร้อมกับร้องเรียกเสียงปลุกสติบุมคำเมื่อนั้นแกจึงสะดุ้งพรวดลืมตาขึ้นและปาลีตาเหลือลุกขึ้นนั่งทันที โดยมีระพินช่วยดึงไหล่ขึ้นมาเพราะทั้งตกฝ่ามือลงไปกลางกระหม่อมอีกครั้งเป็นยังไงเห็นอะไรมัง่งเขาถามเรียบเรียบบุญคำตาเหลือกพลงหายใจหอบบอกระล่ำระลักว่าโอ้ยนายบุญคำมองไม่เห็นอะไรเห็นแต่ไฟนรกรอบตัวไปหมดมันเหมือนกันนรกขุมสันดาบงันแหละ เห็นบ่อโคลนเหนือตรงนั้นมันมีลูกไฟพรุ่งขึ้นมาด้วยนี่ถ้ามันจะไหลบามาคลอกบุญคำมันร้อนอ่ะนายมันร้อนไปหมดร้อนถึงตับไตไส้พุงนี่ถ้านายไม่ถอนบุญคำขึ้นมาสะกก่อนบุญคำคงตายแน่ละ่ะโอ้ร้อนแกสำลักกระหึดกระหอบกระพินลูกที่หลังอยู่ไปมาพร้อมก็ บ, บอกว่าคราวหลังอย่าพยายามนั่งทุกคนเดียวนะ จำว่าเป็นบทเรียนด้วยถ้าวิชาไม่ถึงและไม่มีใครคอยคุมให้อาจทำให้เป็นบ้าคลุ้มคลั่งเสียสติไปได้เอาละบนคำไปได้ลนะทำตามที่เจ้าสั่งแล้วกันแล้วก็ขอให้รู้ไว้ด้วยบนนี้แหละคือส่วนหนึ่งของนรกสันดาบพระอริยบุคคลเท่านั้นที่จะผ่านขึ้นมาได้อย่างเช่นพระธุดงผู้เคร่งในศีลและมีอาคมแก่กล้า แต่ฉันเป็นแค่เพียงพรานป่าบาปหนาก็ดันเสียงนำทุกคนขึ้นมาแต่ฉันก็ถือถึงแม่ฉันเองจะบุกพร่องในศีลบางข้อฉันก็ยังมีสัจจะประกอบกับความเชื่อมั่นในอรหันทุกพระองค์กับพระพุทธคุณที่คุ้มกล้าอยู่เพราะฉะนั้นเป็นอะไรเป็นกันคืนนี้บุญคำค่อยๆลุกขึ้นควาย่ามกระไรเฟนประจาตัว แล้วกล่าวเสียงแหบเหยืดว่านายนายต้องระวังตัวให้จงหนักทีเดียวนะถึงแม่บุญคำจะมองไม่เห็นอะไรเด่นชัดนะักบุญคำก็รู้ว่าที่นี่บนนี้มันแรงยิ่งกว่าทุกแหงเอาคืนนะไม่ต้องโงกเขาโบอกมือไล่มาบุญคำจึงค่อยๆถอยหลับ